บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมาฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะปฏิบัติในทางพระพุทธศาสตรานั้นเป็นคำสอนที่มุ่งเข้าไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายตามสภาวะที่เป็นจริงโดยบุคคลพยามหมาประโยชน์ จากความรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องนั้นๆให้ได้จุเมื่อกล่าวโดยรวมแล้วก็คือความรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักของอรยิยสัจทั้งสประการเป็นความรู้แจ้งเนจริงในเรื่องของความทุกข์รู้แจ้งจริงในเรื่องของเหตุเกิดแห่งทุกข์รู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องของความดับทุกขกก์และรู้จรรแจ้งเห็นจริงในข้อปฏิบัติถึงซึ่งความดับทุกข์ แต่การจะเกิดความรู้แจ้งอย่างจริงในแต่ละกรณีนั้นมีหลักในการปฏิบัติที่แตกต่างกันในส่วนของทุกขสัตว์เป็นสภาวธรรมที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาพระพุทธเจ้าจะทรงุบัติขึ้นหรือไม่ทรงอุบัติขึ้นสังขารทั้งหลายก็เป็นของข้อ ย, อย่างงั้นซึ่งก็เป็นไปาตามกฎหลักที่ทรงสอนเอาไว้ ในเรื่องของสา ม, มัญยลักษณ์ดับคือลักษณะที่เสมอเหมือนกันในคนในสัตว์ในสิ่งทั้งหลายได้แก่อานิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงถึงหมายความว่าสิ่งเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ไม่อยู่ดิ่งมีกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสามจังหวะกระชั้นทีต่อเนื่องกันไปคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ท่ามิว่าสิ่งทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่หรือแม้แต่จะไม่มีชีวิตอยู่ก็ตามเป็นการดำรงอยู่ในแต่ละขณะพียงแต่ว่าขณะแต่ละขณะนั้นก็มาต่อกันก็กลายเป็นเวลานา น, านา ก, ก็คล้ายลา ย, ลายการเวลาที่เริ่มจากเป็นวินาทีหลายหลายวินาทีก็เป็นนาทีแล้วก็เรื่อยมาโดยลำดับที่จริงแต่ละอย่างก็เป็นเรื่องของขณะต่อกันในความต่อกันนั่นเองถ้าขณะมันขาดไป กระบว น, นการการมีชีวิตอยู่ของสิ่งเหล่านั้นก็ต้องแตกตัดลงตลาอาจจะศึกษาเรียนรู้จากคนก็ได้จากสัตว์ก็ได้จากสิ่งต่างๆก็ไ ด, ได้อย่างที่ทรงสอนให้บุคคลมองในลักษณะเชียบเทียงโดยมองรูปเหมือนกับฟองน้ํามองเวทนาเหมือนกับตอบน้ํามองสัญญาคือความจําได้หมายรูปเหมือนกับพยับแดดมองสังขารเหมือนกับกอกล้วย มองวิญญาณเหมือนกับภาพมายาทั้งหลายจะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งเดล่านั้นก็จะมองเห็นชัดเจนว่าไม่มีอะไรชี่วขวรแก่การยึดถือเอาจริงเอา จ, จังในสัตว์และสังขารท่างหลายมาเกิดไปเตอจะมองในมุมของความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏในแต่ละขณะมองในรูปของการที่ ตรงกันข้ามกัะสิ่งที่เช่แท้แน่นอนโดงมองในรูปของความเกิดดับเกิดดับที่ทยอยกันไปแต่อย่างนั้นเป็นความจริงที่สอนคนดูทุกคนทุกแขงและทุกคนที่ดูได้ชัดเจนจริงๆเป็นสังเกตว่าในแนวข็กายานุปัสสนาสติปัฏฐานในมาสติปัฏฐา น, นสูตรนั้น เป็นการสอนให้มองถึงความเกิดดับทั้งช่วงสั้นและช่วงยาวในส่วนที่เกี่ยวกับกายเวทนาจิตธรรมเพงดูตัวอย่างในการสอนให้มองการเกิดดับของกายการมองลมหายใจเข้าออกในตอนแรกนั้นจะ เ, เรียกว่าอนาปนาปร ะ, ะคือดูลมหายใจเข้าและลมหายใจออกในตอนแรกจะมุ่งให้จิตเกิดความสงบเป็นหลักไปก่อน ปรจิตมีความสงบแล้วก็จะมองเห็นการเกิดดับของลมหายใจเข้าออกที่ทยอยกันไปและในความเป็นลมหายใจเข้าออกนั่นเองก็มีหยาบมีกลางมีละเอียดมีแผ่วบางทีก็หายไปเลยเพราะมีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นเพราะวาความหยาบกลางละเอียดแต่แม้แต่แผ่วจนหายไปก็เป็นอาการที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจัจจัยสุดลมหายใจออกลมหายใจเข้าออกก็คือกาอยาสังขารประการหนึ่ง แล้วก็เรียนจากลมหายใจข้าออกมองเชื่อมไปที่จุดตื่นที่ทรงสอนให้ดูทั้งกายภายในและกายในภายนอกแล้วก็ดูการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปให้ดูการเกิดการดับแล้วก็ดูเฉพาะการดับก็จะเห็นว่าสังการร่างกายสังการร่างกายทั้งหลายนั้นเหมือนน้ามาตกจากภูเขามีแต่การไหลลงไม่มีการไหลขึ้น ชีวิตของบุคคลเราตั้งแต่ปฏิสนธิจิตปฏิสนธิวิญญาณขึ้นมามันก็มีการไหลลงอย่างนั้นจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็จะไหลก็สู่ความเป็นคนเท่าคนแก่ไปโดยลําดับไม่มีการย้อนกลับมาสู่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวในภพชาตินี้อีกเึื่อเป็นการสอนให้มองเห็นสัตว์สังขารทั้งหลายในแง่ของความไม่เที่ยงแท้นแน่นอนได้ได้อย่างชัดเจน แต่ทำไมใจคนจึงต้องเดือดร้อนเพราะความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนของสัตว์และสังขารทั้งหลายทุกกานใหญ่จริงๆก็เกิดมาจากความรู้สึกที่เราเรียกว่าสัตจสตทิทิจิคือมองสัตว์สังขารในแงน่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสิ่งที่เกี่ยวกับเนื่องกับตัวเองและตัวเองเราจะมองในแนวของความเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่แปรผัน แต่จะเป็นการมองในกลุ่มที่น่าใคร้าน่าปราถนาน่าพอใจเท่านั้นเพราะตะกลุ่มใดก็ตามแม้จะเกี่ยวข้องกับเราแต่เราไม่ชอบใจไม่น่าถือว่าไม่น่าใคร้ไม่น่าปราถนาไม่น่าพอใจก็ไม่มีความคิดที่จะต้องการในสิ่งเหล่านั้นดำรงคงอยู่ตลอดไปทั้งความทศร้าโศกเสียใจทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงแ ป, ปรปวนของสัตว์สังขารจึงเกิดขึ้นจากความรู้สึกที่ท่านใช้คําว่าปิยวิปโยค หรือการพระพรากจากคนจากสัตว์จากสิ่งอันเป็นที่รักแต่ในจุดนั้นเองถ้าหากว่าบุคคลมาเข้าใจตามความเป็นจริงแห่งสัตว์และสังขารทั้งหลายก็จะใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์ธรรมชาติในสายนี้ได้ในระดับต่างๆเป็นอันมากอย่างที่พระกุมีพระพาคเจจะทรงประรบ ก, การพระพรากสูญเสียที่เรียกว่าปิยวิปโยกดังกล่าว ทรงสอนท่านในเรื่องที่ควรทําและเรื่องที่ไม่ควรทําเรื่องไม่ควรทํานั้นทรงสอนไว้เป็นสีข้อได้เก่การร้องผมร้องไห้เพราะปรารบการประยะิยปิยโยกเกี่การพลัดพรากสูญเสียเพราะเราไปแล้วหนึ่งผู้ที่จับไปแล้วก็ไม่ได้อย่างรู้ถึงการร้องไห้เศร้าโศกเสียใจของเราแต่ประการใดเราก็ไปตามกรรมของท่าน เราก็เป็นการซ้ำเติมตัวเราให้ทุกข์ทราบาลมากยิ่งขึ้นไปอีกทองญาติพี่น้องทั้งหลายมาเห็นความเศร้าโศกเสียใจการพัดพรางสูญเสียก็จะเพิ่มทุกข์ทวีมากยิ่งขึ้นก็ก็ปล่อยกันร้องไห้สูงขึ้นสามคนที่มองเราเป็นศัตรูก็จะรู้สึกชื่นชมยินดีเห็นความพิบัติเดือดร้อนของเราแล้วก็สี่ สุขภาพร่างกายก็หน่อย ก, ก็ทรุดโสรมลงไปหมายความว่าเป็นการเพิ่มทุกข์ให้ทัพทวีมากยิ่งขึ้นวิธีการทางศาสนานั้นก็เพียงพยายามจะลดละบรรเทาความทุกข์ปัญหาสาคัญว่าเรื่องที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นคิดยังไงมองยังไงจะเป็นการบรรเทาความทุกข์และจะเพิ่มพูนความสุขใ น, นานะเดียวกันก็ได้ประโยชน์แก่บุคคลอุกฝ่ายดังในกรณีนี้ทรงแสดง ข้อที่ควรกระทําเอาไว้คือการประพฤติกระทําบําเพ็ญความดีเป็นการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่แพ้พลาดจากไปอันเป็นการกระทําซึ่งเป็นประโยชน์เกือ้อกูลทั้งแก่ตนและแก่บุคคลอื่นที่เรียกกันว่าทักษิณาอุปาทานคือการเพิ่มพูนความดีให้แก่ผู้ที่จากไป แต่ทรงแสดงผลคืออ น, นิสงไว้เป็นหลักคืคอไวสี่ประกาศประการแรกก็คือแสดงออกซึ่งญาติธรรมเรือธรรมะที่ญาติจะต้องปฏิบัติต่อญาติของตนกรมญาติในความหมายทงพุทธศาสนานั้นท่านจาแนกเอาไว้เป็นสองประเภทใหญ่ด้วยกันประเภทแรกคือญาติที่เกิดขึ้นจากกุลสัมพันธ์คือการสืบสายทางสกุล ที่มีการนับกันเจ็ดชัโคตบบางเก้าวโคตบางโดยเอาตนเองเป็นฐานนับขึ้นข้างบนสามนับขึ้นนับลงข้างล่างสามก็ถือว่าถ้าเหล่านั้นเป็นญาติแต่จริงแล้วจะสูงขึ้นไปยังไงหรือจะต่าลงไปยังไงก็คือญาติเพราเรานับรวมคำว่าบันไปชนที่พู้เจ้าทรงใช้คำว่าปุพพเปตะชนคือคนที่เกิดมาก่อนก่อนตลอดกาลยาวนาน ลำดับญาติที่จริงก็เรียกไม่ถูกไม่มีคําบัญญัติเรียกกันก็เรียกรวมๆว่าบันพิชชนหรือว่าบรรพระบุรุษกรณีการที่บุคคลเกิดมาเป็นญาติเป็นพี่น้องกันนั้นทรงแสดงว่าเป็นเรื่องของบุญที่ทําร่วมกันไว้ในการกอดหรือแม้แต่บาปที่ทําร่วมไว้ในการกอดก็ไม่เลี่ยได้บุคคลเหล่านั้นเกิดมาเกี่ยวข้องผูกพันกันชันน้ญาณ ในส่วนของความดีที่ทำไว้ในการก่อนก็สงสดงความใกล้เคียงกันหรือความเสมอกันของศรัทธาคือความเชื่อมัน่นของศีลคือการสัรวมรษ า, ากายประจยัยเรียบร้อยขัองจาคาคือความเสียสละให้ปัน่นและของปัญญาคือความรอบรู้ในสิ่งท่งางยซึ่งแน่นอนก็มีทั้งยาวทั้งกลางทั้งละเอียด ที่เป็นการจำแนกสกุลวงศ์ต่างๆให้มีความยิ่งความหยดไม่เหมือนกันก็ปรากฏอยู่ในสายตาของชาวโลกทั่วทุกคนทุกแห่งตอนนั้นเป็นภาพสะท้อนถึงกุศลและกุศลที่มีความยิ่งความหยดเป็นการปรุงแต่งวิถีชีวิตของบุคคลในรัชเกิดมาแตกต่างกันตามการจำแนกของกรรมอย่าที่ทงแสดงไว้ว่ากรรมในตัวจำแนกแบ่งแยกให้คนเหลวและประณีตแตกต่างกันประการที่สองนั้น บูชาต่อคุณความดีของปิยชนคนที่รักซึ่งได้ทำกระดาจากไปการบูชานั้นที่จริงแล้วเป็นการบูชาในหลายระดับด้วยกันโดยนว่าโครงสร้างในทางพุทธศาสนานั้นพระเจ้าทรงสอนทุกระดับในแง่ของกายสังขารที่เป็นการสอนให้มองในแนวของใยรักเราก็เรียนรู้จากคนที่ตายไปแล้วเป็นภาพที่เห็นได้ ชัดเจนในขณะนั้นนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือภาพของความตายติปการแตกขาดทาลายของชีวิตดินทรีของคนของสัตว์ทั้งหลายที่มีจุดจบลงเหมือนกันก็คือปราศจากลมหายใจความแตกดับของร่างกายจึงเป็นเรื่องเหมือนกันแต่ว่าหลังจากแตกดับแล้วหรือก่อนจะแตกดับนั้นจะมีความยิ่งความจอนด้วยความดีความชั่วที่บุคคลเหล่านั้น ได้ประพฤติกระทำมาไว้ก่อนตายและเป็นผลส่งไปจากชีวิตหลังตายเพราะในเรื่องนี้บางทีก็เป็นการศึกษาในแนว่วิจีชีวิตที่ชีวิตเป็นภาพรวมรวมไม่ได้มองระดับของไตรลักษณ์หรือว่ามองระดับของวิปัสสนากรรมฐานแต่เป็นการเรียนปฏิบปทาการดําเนินชีวิตของท่านพูดนั้นก่อนที่จะตายจากไปแล้วท่านก็จากไป พระเจ้จะนํามาสแสดงทั้งสองช่วงคือช่วงการดําเนินชีวิตในชาติปัจจุบันของบุคคลเหล่านั้นและช่วงชีวิตหลังตายเนการนําเอาเรื่องของธรรมิกาอุบาสกมาส่งสแสดงธรรมิกาอุบาสกนั้นก่อนที่จะตายได้มีกรรมนิมิตกตินิมิตปรากฏเป็นเทวดาในสวรรค์หกชั้น มาเชิญชวนให้ไปบังเกิดในพบในในสวรรค์ที่ตนอยู่แต่ในสุดท่านก็เลือกไปบังเกิดในสวรรค์ชันดุสิตพระเจ้าก็นําเรื่องนี้มาจี้แจงมาแสดงให้ทราบว่าการที่ทำมารำนิกะอุบาสกสามารถเลือกสวรรค์อันพบปูมิที่เกิดข้องรนได้เพรบพรบทั้งห้า ท, ทั้งหทั้งหสวรรค์นั้นก็เพราะว่าในชาติปัจจุบันเป็นคนที่ประพฤติ ธ, ธ ร, รมปฏิบัติธรรม ดำรงชีวิตมั่นคงอยู่ในฐานศีลภาวนาในขณะเดียวกันก็ไม่จะททำทานคนเดียวชวนชวนชักชวนบุคคลอื่นให้ทำทานด้วยกันกับตนให้ทำร่วมกับตนเป็นผู้ตั้งมั่นในศีลตั้งแต่ศีลห้าจะถึงศีลบรสุทธิ์ศีลแดตามสมควรแก่การละโดยมีศีลห้าเป็นฐานของชีวิตจิตใจสามารรักษาศีลมีความประณีตลึกซึ้งเข้าไปจนถึงใจ จนกลายเป็นอัตโนมัติคือวิถีชีวิตนั้นเคลื่อนไหวไปตามการลองแห่งศีลโดยไม่จําเป็นจะต้องตั้งใจสํารวมระวังอะไรก็กลายเป็นปกติธรรมดาของท่านไปแล้วจึงในแง่ของความเป็นจริงศีลศีลก็คือเรื่องของปกติธรรมดาใครสามารถตึกปลือตัวเองให้เข้าสู่สภาพปกติได้การเคลื่อนไหวทั้งหมดมันก็กลายเป็นศีลไปทั้งหมดการพูดก็เป็นศีลการทําก็เป็นศีล โดยจิตนั้นมีความงดเว้นที่เป็นการเด็ดขาดจะมาย้อนกลับมาสู่การละเมิดศีลซึ่งเคยละเมิดมาในการก่อนอีกต่อไปแต่ในขณะเดียวกันก็เชิญฉวองจากฉลองบุคคลอื่นในสมาทานศีลเป็นแบบอย่างให้บุคคลอื่นที่ถือเป็นแนวในการดาเนินประพฤติปฏิบัติได้ในด้านของภาวนาก็มีการสนใจตั้งแต่สดับสับฟัง แต่การคิดค้น้แต่น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเป็นการฝึกการอัตยาตใสจิตใจของตนเองให้มีความสงบประนีดขึ้นไปโดยดําดับที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเป็นผู้ไม่อิ่มในการศึกษาทมฟังทมปฏิบัติรมแม้ตัวเองนอนอยู่บนเตียงกำลังจะตายอยู่แล้วก็ปรารถนาที่จะฟังพระสาธยายพระสูตส่ ง, งคนไปนิมนต์พระมาให้สาธยายพระสูตให้ฟัง น้อมติตสงบอยู่กับกระแสเสียงที่มีการแสดงธรรมะอยู่ในขณะนั้นแล้วก็ทรงรับรองว่าหลังจะตายไปแล้วธรรมิกาอุบาสกก็บังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตถึงวันนี้เป็นการแสดงถึงปฏิปทาการดาเนินชีวิตที่บุคคลผู้ปรารถนาผลคือการบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์ก็สามารถจะมองจากหลักการดาเนินชีวิตของท่านปนั้นได้ วันนี้คือปฏิปทาคือทางดำเนินไปสู่สวรรค์ของบุคคลทั้งหลายและเป็นทางที่เปิดกว้างไว้สาหรับใครก็ตามซึ่งประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นแล้วก็สามารถไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้การเสด็จสวรรคตของสมเด็จยาซึ่งเป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่ใจของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอยู่นั้นที่จริงคาว่าสวรรคตเป็นคาตรงก็คือเสด็จสู่สวงสวรรค์ เป็นการแสดงถึงปฏิปทาที่ส่งประพฤติปฏิบัติมาในขณะที่พระองค์ประชวรอยู่เป็นการดำเนินไปในกระแสของธรรมะเป็นธรรมิกาเกือบผู้ประกอบวรรมตลอดชีวิตของพระองค์ปฏิปทาทุกขั้นตอนของการดำเนินชีวิตของพระองค์ก็เป็นแนวในการประพฤติปฏิบัติของสัตว์บรุษทั้งหลายได้ทุกการทุกสมัยปฏิปทาปัจจุบันจะเป็นการส่องชีวิตหลังตายและจะมีความเป็นไปเป็นอย่างไงบ้าง ในการศึกษาในแนวหนึ่งก็คือการศึกษาถึงกติธรรมดาของชีวิตในกลุ่มของทุกข์กระสับจะเป็นการมองสังขารร่างกายในแง่ของเป็นสังขารที่ต้องมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเป็นธรรมชาติธรรมดาก้อนี้เป็นสังเกตในมหาเปนิพานสูดพระเจ้าทรงเอาพระพุทธศ ร, ราของพระองค์เป็นครูสอนพุทธบริษัททั้งหลาย ไ่ทราบข่าวการปรงประชนมายุสังขารของพระองค์ว่าอีกสามเดือนพระองค์ก็จะไปนิพพานแล้วในช่วงนั้นพุทธศาสนิกชนทั่วทุกสารทิตสเสด็จมาเฝ้าพระพุทธเจ้ากันเป็นจำนวนมากจนกลายเป็นการห้อมลอ้อมแลวค่อนข้างจะวุ่นวายสาหรับคนที่ยังไม่รู้แจ้งจริงในเรื่องของสภาวรธรรมเหล่านั้น พระเจ้าจะต้องทรงพร่ำสอนด้วยวิธีการต่างๆทรงเชียเห็นถึงสังขารของพระองค์ว่าร่วงการผ่านวัยมามากแล้วในร่างกายของพระองค์เปรียบเหมือนกับเกวียนที่ชํารุดซึ่งจะของเกวียนไปซ่อมแซมไว้ด้วยไม้ไผ่เอาไปคาดไว้เอาประมัดไว้เป็นผูกไว้เกวียนเล่มนั้นเคยบรรทุกของหนักๆได้เมื่อก่อนแต่ปัจจุบันบรรทุกไม่ได้แล้ว เพราะคืนมันทุกไปก็พังร่างกายของพระองค์จึงเหมือนกับภาชนะดินที่บุคคลทําจะเป็นใหญ่ก็ตามเล็กก็ตามใหม่ก็ตามกลางเก่ากลางใหม่ก็ตามหรือเก่าแล้วก็ตามการแตกของภาชนะดินเป็นการแตกได้ทุกขั้นตอนไม่ได้เจาะจงว่าภาชนะดินเก่าเท่านั้นจะต้องแตกที่จริงภาชนะดินประเภทไหนก็แตกได้ การแตกของภาชนะดินนั้นเป็นเรื่องของคุณภาพเฉพาะตัวของภาชนะอันนั้นหรือว่าอาจจะแตกไปตามกาลเวลาหรือจะแตกไปเพราะความประมาท พ, พลาดพรั้งของเจ้าของหรือแตกแตกไปด้วยอุบัติเหตุหรือการพยายามกระทําของบุคคลอื่นก็ได้ชีวิตร่างกายก็จะมีลักษณะอย่างนั้นการแตกลับของชีวิตจึงถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา ก็าทรงสอนในแนวที่ให้บุคคลมองสังขารในลักษณะนี้และพยายามเรียนรู้ความจริงรับรู้ความจริงที่เกิดขึ้นแก่สัตว์แก่สิ่งทั้งหลายบางครั้งทรงสอนในมองเห็นว่าชีวิตของเรานั้นเหมือนกับอยู่ในท่ามกลางวงล้อมของภูเขาซึ่งกลิ้งมาจากทิศทั้งสี่มันก็กลิ้งทับบทสัตว์มาโดยดําดัใครอยู่ใกล้ก็ถูกทับไปก่อน ใครอยู่ไกลก็ช้าหน่อยแต่แน่นอนว่าเมื่อถึงจุดเดิมมันก็ต้องแตกดับทั้งหมดเรื่งการกระตุ้นเตือนสอนคนให้ดํารงชีวิตด้วยความไม่ประมาทได้ยินข่าวคราวเรื่องราวต่างๆประรุกการตายคนตายสัตว์ตา ย, ตา ย, ตตายใบไม้หล่นอะไรก็ได้คือไม่ได้เจาะจงวะไงต้องมองจากสัตว์เสมอไปจากคนเสมอไปที่จริงมองจากอะไรก็ได้เพราะนั้นก็คือสังขารธรรมก็เป็นก็เขาอย่างนั้น พระยาบุคคลที่ท่านบรรลุมรรคผลหรือแม้แต่พระยาบุคคลที่ออกบวชตลอดถึงประปพณีกับพระพุทธเจ้าที่ออกบวชก็จะประรบสังขารในแนวของทุกขะษะที่เป็นพื้นพระพุทธเจ้าของเราเองก็ประรบความแก่ความเจ็บความตายเป็นตัวกระตุ้นให้เสด็จออกพ น, นุษยซึ่งก็หมายความว่าเป็นการมองสังขารในกลุ่มของทุกขะษะเมื่อในแง่ของภาพไม่เชี่ยงเป็นทุกข มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายบางองค์ในอดีตมองใบมะม่วงที่หล่นลงมาด้วยการกระทำของบุคคลอื่นมองดอกไม้ที่เขียวเฉาร่วงโรยไปตามกาลเวลามองดูน้ำที่ท่านเทลงไปพื้นที่มันร้อนแล้วก็ถูกความร้อนแผดเผาจนเถือแห้งไปในเวลาที่รวดเร็ว มองก้อนเมฆมองพยับแดดแล้วก็น้อมลึกเข้ามาหาสังขารร่างกายของตัวเองก็มองเห็นสังขารเช่นเดียวกับก้อนเมฆเช่นเดียวกับพยับแดดเช่นเดียวกับหยาดน้ำเช่นเดียวกับใบมะม่วงทั้งสดทั้งเหลืองแล้วในสุดมันก็จบตรงอย่างนั้นก็ทมให้ชีวิตกับความตายนั้นอยู่ใกล้กันเลยเกินแล้วก็ความตายก็พร้อมจะปรากฏแก่ชีวิตอยู่ทุกขณะ ดังนั้นเวลาพระเจ้าทรงสั่งสอนเรื่องความตายเป็นการสั่งสอนในแนวที่เรียกว่ามนั ส, สติคือตั้งสติเราลึกถึงความตายเราอาจจะเรียนจากคนตายสัตว์ตายสิ่งตายธรรมชาติที่มันตายไปล้วจะมองที่ตัวของเราเองแต่ตามปกติค่อนข้างมองยากเพราะว่าใจของมนุษย์ไปยึดถือสังขารเป็นของเชี่ยงไปแล้วพยายามจะต่อต้านความคิดเหล่านี้ จนมีความรู้สึกหวารวดระแวที่จะพูดถึงความตายคนเป็นจานวนมากที่จะไม่พอใจเวลาพูดถึงความตายบอกว่ากล่าวสิ่งที่เป็นอัปมงคลทั้งๆ ท, ที่เป็นอารมณ์ของกรรมฐานนั้นแสดงเห็นถึงพื้นจิตที่มีความประมาทในวัยในชีวิตของบุคคลทั้งหลายทงสอนให้เห็นความตายเป็นสามจังหวะได้กันจังหวะแรกเรียวกว่าคณิกมามรณะคือตายอยู่ทุกขน์น่ะ หายใจเข้าเป็นเกิดหายใจออกก็เป็นตายความหิวก็เป็นเกิดความความอิ่มก็เป็นเกิดความหิวก็เป็นตายอวัยวะร่างกายของเราเซนต่างๆมันก็ตายเกิดตายเกิดอยู่ตลอดเวลาเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยที่อาศัยสนันนติคือการเกิดสืบเนื่องแบบกระแสไฟกระแสน้ําำแสดงว่าจริงๆชีวิตเราก็ตายอยู่แล้วทุกคนนะมีผมตายเล็บตายหนังตายผิวตายอะไรต่างๆในส่วนร่างกายมันก็ตายกันอยู่ตลอด อีกอย่างหนึ่งเรียกว่ า, าการลมรณะคือตายในคราวที่ไม่น่าจะตายอาจจะตายดูปฏิเหตุตายด้วยความประมาทเผลอ<ม>ตายด้วยความพยายามของบุคคลอื่นรู้ตนเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆหรืออาจจะประสบภัยธรรมชาติทั้งหลายซึ่งดูแล้วก็ไม่น่าจะตายแต่ว่าจริงๆคนก็ตายในแนวนี้อยู่มากกว่ามากนีกอย่างหนึ่งเรียกว่าการลับมรณะคือตายถึงคราวที่ตาย เป็นลักษณะของเปลวเชียนที่หมดทั้งไขทั้งไส้จึงต้องดับอยู่แน่นอนอยู่แล้วเพราะคนมองเปลวเชียนจึงมองได้เป็นครูได้ทั้งสี่อย่างโดยที้ว่าเทียนนั้นอาจจะดับทั้งทั้งที่ทไส้ก็อยู่ไขก็อยู่หรืออาจจะดับเพราะไส้หมดไปไขยังอยู่หรืออาจดับเพราะไขหมดไปไส้ยังอยู่หรืออาจจะดับเพราะหมดทั้งไส้ทั้งไข เป็นกาลมรณะที่ถึงคราวจะต้องไปปัญหาสำคัญของชีวิตจึงไม่ใช่อยู่ที่ว่าตายเมื่อไหร่แต่ว่าสิ่งที่เราหาคำตอบได้คือตายอย่างไรตายเมื่อไรเป็นเรื่องของความแตกดับของสังขารแต่าตายอย่างไรนั้นเป็นเรื่องขี่เราใช้ความเพียรพยายามได้แก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเราได้ก็เป็นไปตามนายะที่ทรงสอนในพิจนาในอภินหาปัจจเวกขณะทั้ง5ประการ น, นั่นเอง ท่าสาจุชนทั้งหลายเหนวสีข้อแรกเป็นเรื่องปรากฏการธรรมชาติธรรมดาเราทําได้แค่บรรเทาไว้บ้างแต่ไม่มีอะไรแก้ไขได้โดยสิ้นเชิงนั่นคือความแก่ความเจ็บความตายและการพลรัดพลัดสูญเสียซึ่งถือว่าต้องมีแก่ชีวิตทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ที่ทรงสอนเห็นว่าเอวังธรมโมยวังภาวีวังนัตติโตธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้สภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครจะล่วมพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ ความตาย ข, ของคนอื่นยังกลายเป็นครูกระตุน้นเตือนจิตใ จ, จของเราให้ทราบว่าแม้เราเองก็จะเป็นอย่างนั้นส่วนจะเป็นวันไหนเราก็ไม่มีใครจะรู้ได้แต่าเป็นอย่างนั้นนั่นแน่นอนเพราะชีวิตอั้นเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่ความตายนั้นเป็นเรื่องเทียงแท้แน่นอนว่าทุกคนเกิดมาก็ต้องตายไปในที่สุดปัญหาสำคัญในการศึกษาเด่นดูในเรื่องเหล่านี้ก็คือเป็นแก้ไขในตัวตัวกระบวนการของกรรม ในข้อที่ทรงสอนพิจารณาในลำดับที่ห้าที่ว่าคนเราเปกา ร, รเป็นของกตนจะต้องเป็นผู้รับผลน้องกรรมนั้นพึงสังเกตว่าความชั่วความดีนั้นที่จริงแล้วเรายังไม่ได้ทําตัวอยู่พื้นฐานก็คือพื้นฐานแต่ว่าในปัจจุบันในขณะแต่ละขณะเรายังไม่ได้ทําเราจะทําอะไรก็ได้เราสามารถเลือกได้แต่เราเลือกไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พลาดพลาดไม่ได้แต่เราเลือกทำความทาความดีงดเว้นความชั่วได้พระเจ้าจึงทรงเน้นย้าว่า อกุศลทุจริตนั้นเป็นเรื่องที่ละได้เราจึงสอนให้พวกเธอละถ้าละไม่ได้ก็จะไม่สอนให้ละหรอกสุจริตทางกายวิชาใ จ, าจนั้นเป็นสิ่งที่บุคคลทำได้ถ้าทำไม่ได้เราจะไม่สอนให้ทำแต่เพราะๆทำได้จึงได้สอนให้ทำนั้นแสดงว่าถ้าเราจะมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตรงนี้โดยการควบคุมในตัวกรรมในการงดเว้นสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลเพิ่มพูนสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลขึ้น การกระทำนั้นก็จะเป็นเงื่อนไขเป็นปัจจัยที่นําตนให้ไปสู่สุคติในกรณีที่เราประรบการเสด็จสวรรคตของสมเด็จญาต้องการที่จะแสดงความจงรับพัะดีก็คือการศึกษาปฏิปทาของพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จสู่สวรรค์เราก็ศึกษาปฏิปทาที่จะสู่สวรรค์ที่พระเจ้าทรงรับรองเอาไว้ทางในเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของภาวนา ในแต่ละข้อของอานิสงส์ที่ทรงแสดงเกี่ยวกับกุศลนั้นจะทรงใช้คำบาลีเหมือนกันว่ากายศะสะเพดาปรนมนาสุกติงสักกังโลกังอุปปัชติตหลังจะตายไปแล้วจะบังเกิดในสุกติโลกสวรรด์แสดงว่าบุญกุศลที่บุคคลกระทาเอาไว้ไม่มหยุดความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากอะไรไม่ได้เพราะะไรเพราะแม้แต่ พุทธสริระของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ปไตยของพระองค์สมบูรณ์ด้วยปัญญาบริสุทธิ์กรุณาเห็นปานนั้นถึงการหนึ่งก็ต้องแตกตัดไปตามธรรมดาของสังขารที่เท้าสกเทวราชมาประรบการตัดตับขันของปรินิพานของพระพุทธเจ้าแล้วได้กล่าวประรบถึงสังขารไว้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เชื่องหนอน มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปเกิดขึ้นแล้วก็จะดับไปการทําใจสงบประงับในสัตว์ในสังขารทั้งหลายเสียได้ก็จะเป็นความสุขผลขำว่าการบูชาที่ส่งเน้นย้ำเอาไว้นั้นได้แก่การศึกษาเรียนรู้ในส่วนของทุกขสัตริย์ส่วนของสมุทัยสัตว์ส่วนของมรรคสัตย์ ส่วนส่วนนิโรธศัสตร์และส่วนของมรรคศาสตร์ที่ปรากฏในวิถีชีวิตของบุคคลโดยพยายามกําหนดรู้ส่วนที่เป็นสภาวะธรรมเป็นพยายามลดละในส่วนของกิเลสมีจุดมุ่งหมายที่จะสัมผัสผลเป็นความสุขความสงบความยึกเย็นอันเป็นอาการของนิโรธโดยการปฏิบัติตามธรรมะฝ่ายเหตุคือกุศลฝ่ายเหตุทั้งหลาย อาจจะประลบถึงตัวสภาวธรรมอาจจะป ร, ะรบถึงการกระทําการพูดการคิดหรืออาจจะประลบถึงตัวชีวิตของบุคคลและความสุขความทุกข์ที่บุคคลได้รับในขณะนั้นตลอดถึงความสุขความทุกข์ที่บุคคลเหล่านั้นได้ประสบในชาติพบต่ตอไปต่อจตกนี้ไปขอให้ตั้งใจทําความสงบสุข ต, ต่อไป